Na na na na na na na na n na na n na n na na na na na na n na n na na na na na n na n na na na na เจ็บโออออเจ็ออออออออมาทำทุกวันอันนี้มันเห็นต้องโวยอออมาทวันหนักเท่าไรอออเหนื่อยออออเหนื่อยออเหนื่อยจะทำกับเธอยังไงไพวัตรกเอวและทำอายุเท่าไร ทำไมทำไมอ่เห็นเธอวุ่นวายทุกทีพ่อมาถาว่าเรานั้นมีใครทำอะไรก็ไมายุ่งทุกปีชอบมาเช็คอยู่อย่างนี้ทุกทีไ ม, ไม่เคยดีมันไม่เคยดีไม่ดีเท่าไรแม่ไม่ให้พูดไม่เอาไม่เอามีบอกแม่ไม่ให้บอกฉันยังไม่เป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ให้พูดก็ยังไม่โตเท่าไรถ้าไปรักใคร 来自万里波，啦啦啦。<音><音><音> โอ้อนักโอ้หนักโอ้หนักทำไมทำไมทำไมมาถามตรงๆว่าฉันนั้นคิดยังไงทำไมทำนะชอบเมาไว้ทีออมาถามว่าเรานันมีใครทำอะไรก็ไม่ยุ่งจังปีชอบมาเช็กอยู่อย่างนี้ทุกที ไม่เคยดีมันไม่เคยดีไมีเทรแม่ไม่หพูดมเอาม่เอาม่บอกแม่ไม่ให้บอกฉันยังไม่เป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ให้พูก็ยังไม่ตอผู้ใดถ้าไปรักเธอแม่ตื่มาไม่ที่บอกลาลาลาลาลาลาลาลา Na na na na na na na. n ไม่เอาไม่เอาไม่บอกแม่ไม่ให้บอกฉันยังมีเป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ให้พูดตัยังไม่โอเท่าไรจะไปรักใครแม่เตือนว่าไม่ให้บอกแม่ไม่ให้พูดไม่เอาไม่เอาไม่บอกแม่ไม่ให้บอกฉันยังมีเป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ให้พูดตัยังมีโตเท่าไรจะไปรักใครแม่เตือนว่าไม่ให้บอกลาลาล